ขอโอกาสท่านพระเทรานุเทระในพระอุโบสถนี้มีท่านเจคุณพระราชปริยัติติีลกและท่านจคุณพระเทพปฏิพานกวีเป็นต้นขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาก็เหมือนกับท่านทั้งหลายก็คือ ตั้งใจที่จะมานั่งลำลึกนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนเรียกยาวเอาเป็นว่ารัชากาลที่9ก้าก็แล้วกันแล้วก็มาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายคือทำความดีถวายท่าน แล้วท่านจะคุณพระเทพปฏิพานกวีก็มานิมนต์ให้ปารพธรรมอาตมาก็มีความรู้สึกเหมือนท่านทั้งหลายทำความดีถวายพระองค์ท่านจะโดยสถานะใดก็อยากทำอยากมีส่วนร่วม ญาติโยมก็มาทาบุญมาฟังเทศฟังพระอภิธรรมฟังสวดพระอภิธรรมและทําบุญน่อื่นถวายพระองค์ท่านอาตมาก็อยากเทศเรื่องท่านพอดีกันเมื่อวานก็ไปออกอากาศช่องสิบเอ็ดเรื่องอพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เกออกอากาศ เกือบหนึ่งชั่วโมงตอนสี่ทุ่มคนก็ถามว่าทำไมรับนิมนต์บอกคันปากอยากพูดถึงราชการที่เก้าเพราะว่ามีความผูกพันมีอะไรอยู่ในใจเกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่ยหลายอย่างตมาเคยไปเทศเทศถวายพระองค์ท่านหลายครั้ง และเวลาเทศเสร็จเนี่ยมาประเคนทรงประเคนเนี่ยก็จะสนทนาธรรมเทศในงานสมเด็จย่าก็สนทนาธรรมไปเทศงานสิบสองสิงหาที่วังไกลกังวลก็ปรบธรรมกัน จำได้ว่าครั้งหนึ่งทรงถามว่าที่เทศเนี่ยออกมาจากไหนผู้ยิ่งยงว่าเมคอัพหรือเปล่าคล้ายๆกับเรื่องมันสนุกดีแต่ท่านออกมาจากไหนโชคดีนะเทตมาไม่ได้แต่งเองบอกออกมาจากพระไตรปิฎกนึกว่าจะจบเปล่า ถายเอกสารต้นฉบับส่งมาให้ดูด้วยเป็นพระอื่นถ้าจะเลิกเทศเลยนะนิยมใครจะนึกว่าในหลวงสนใจว่ามันเป็น primary source secondary source อย่างกงานวิจัยนะแล้วท่านก็นแน่นะเวลาส่งเนี่ยส่งให้ถูกด้วยนะ อย่าไปสมุนสำนักพระราชวังมันคนละที่กันต้องส่งไปที่สำนักราชาเลขาธิการอาตอมาก็รู้มันคนละกรมกันตอนนั้นในหลวงบอกนี่นแหละกลับมาก็มาหาที่มันอยู่หน้าไหนท่านขอทั้งภาษาบาลีภาษาไทยอาตมาก็ต้องถ่ายเอกสารนะสมัยนู้นแล้วก็ส่งไปที่ราชาเลขาธิการให้ไปถวายในหลวง ก็ไม่นึกเรากาจะถึงนะต่อมาก็มีหนังสือตอบจากราชาเลขาธิการว่าที่ท่านส่งไปถวายนั้นได้ทอดพระเนตรแล้วทรงฝากขอบพระทยัยอธรรมาก็โชคไปดีทำจดหมายหายนะไม่งั้นประมูลได้อีกนะไม่รู้มันหายไปไหนไไเลยได้แค่เอามาเล่าให้ฟังอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าความผูกพัน แต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยจะมีมีเหลี่ยมมีมุมที่ได้เฝ้าตรงนั้นตรงนี้แล้วอยู่ๆพอท่านจากไปเนี่ยมันเศร้าคว า, ความเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความโศกนะมันเป็นชุดเวลาสูญเสียตอนนี้คนไทยเนี่ยมันจะเข้าสูตรโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาต มาเป็นชุดเลยนะดูจากทีวีนะ่จะเห็นแล้วถ้าท่านไปดูมากร้องไห้ตามเขาอีกโศกะคือเศร้าปริเทวะคือร้องไห้คำครวญทุกขะชักกินไม่ได้นอนไม่หลับนะกระทบมาที่ร่างกายโทมนัสเสียใจอุปายาสสิ้นหวังแห้งผาก ทำอะไรไม่มีชีวิตชีวาเขาเรียกจิตตกสภาวะที่จิตตกเนี่ยสิ้นหวังซึมเศร้าภาษาแพทย์ขต่อไปมันจะ d e p r e s s ําทำให้หมอทำงานหนักเองเพราะฉะนั้นพระชิงพูดซะก่อนก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยจิตมันตกอาตมาเคยไปเทศถวายพระองค์ท่าน เรื่องจิตตกทำยังไงลีเนจิตตำฮิปักขาโหจิตตกให้ยกจิตอุทธตัดสมิงวินิขคาโหจิตลอยลมให้ดึงลงมาตอนนี้คนไทยมีสองอย่างกลุ่มหนึ่งจิตตกและบางทีกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มเนี่ย จิตลอยลมเรื่องในหลวงเนี่ยรัชการที่เก่าจิตตกไปอยู่กับอดีตตกสู่อดีตนะดูทีวีโอ้โหทาไมตั้งแต่เป็นหนุ่มไม่รู้เลยว่าท่านดีอย่างนี้นะเพิ่งมารู้เอาตอนที่ท่านไม่อยู่สมัยที่ท่านอยู่เขาเปิดให้ดูก็มัวแต่ไปทำงานทำอะไรอยู่ไม่ซึ้งในความดีของท่าน พอท่านไม่อยู่โอ้ยดีอย่างนี้วันนี้ไม่มีแล้วก็ไปเกาะอยู่กับอดีตจิตตกเสียดายหวนล้วหวนแล้วห้อยหาอดีตพระพุทธเจ้าสอนว่าอตีตังนานวาขมยยะอย่าไปแล้วห้อยหากับอดีตแต่คนไทย น่าจะมีความรู้สึกว่าฝรั่งเขาเขียนนะวันที่สอนคตนี่คือสิ้นสุดของยุคทองแห่งประเทศไทยแลหรือโกลเด้นเอรายิ่งไปเขียนอย่างนี้ก็ยิ่งติดใหญ่เลยโอ้โหเรานี่อยู่ในยุคทองเกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารบัตรนี้ไม่มีพระองค์แล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นเลยยุคทองมันเลยไม่ต่อ มันติดกับยกยังไงท่านั้นเราจะไปติดตรงนั้นทีเราต้องยกออกจากตรงนั้นมาอยู่ปัจจุบันให้ได้มาอยู่กับความเป็นจริงโดยนึกถึงสองเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าไม่มีท่านแล้วเนี่ยต้องคิดว่ามีอยู่มีอยู่ก็คือถึงท่านดับไปดับเพียงแต่ร่าง ในพระไตรปิฎกนะอย่ามาถามว่าเล่มไหนนะไม่ส่งให้หรอกในพระไตรปิฎกบอกว่าคนที่ไม่เศร้าเนี่ยเขาคิดยังไงเวลาญาติตายเขาคิดว่าร่างกายที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยเหมือนงูลอกคราบในพระไตรปิฎกนะตัวงูจริงๆไปไหนแล้ว ร่างกายที่ไร้วิญญาณคือคราบเก่าที่ทิ้งไว้ซึ่งเขาไม่ต้องการเขาไปหาพบภูมิใหม่แล้วเรามาร้องไห้กับคราบของงูมันถูกไหมติดอยู่กรดีตเราต้องคิดว่าเขาไปดีมีความสุขในพบภูใหม่ทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปถวายไปให้ อย่าไปติดอยู่กับคราบของงูที่งูเองก็ไม่ต้องการเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วแล้วถามว่าท่านไปไหน mm. เมื่อพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์สวรรคตเนี่ยท่านไปไหนท่านไม่ได้กลับมาเกิดนะท่านไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์ที่รอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าสวรรค์ชั้นดุสิตและเมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็จุติลงมาอุบัติเป็นพระสิทธะพระเวสสันดรนี้คือชาติสุดท้ายและไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็ลงมาเป็น พระพุทธเจ้าพระสิท ธ, ธัตถะปัจจุบันนี้ผู้ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตอีกอง์หนึ่งคือพระสีอริยเมตไตรรอจุติมาเป็นพูะุทธเจ้าในอนาคตตการพระโพธิสัตว์ถึงจะไม่เป็นพูะพุทธเจ้าหรือเป่ก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเขาจึงเรียกที่สถิตแห่งพระบรมศพว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร ท่านไปดีกว่าเราเยอะสงสารตัวเองเถอะพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เมื่อได้ทำหน้าที่แล้วพร้อมที่จะตัดสรุเราเรียกรบพุทธเจ้าคนในสมัยโบราณจึงเรียกรัชกาลที่ห้าหลังสวรรคตว่าพระพุทธเจ้าหลวง เมื่อรัชการที่สองสวรรคตสุนทรผู้ใช้คำว่าพระนิพพานปราณประหนึ่งศีรษะขาดในขณะที่มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคือมาเป็นพระโพธิสัตว์สวรรคตคือจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น การบำเพ็ญบารมีของพระองค์ท่านเนี่ยได้ทำไว้ครบถ้วนแล้วและเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี่คือคติที่ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้สำหรับพระมหากษัตริย์แม้จะสิ้นชีพแล้วก็ไม่ตายเป็นอมตะ รูปังชีรติมัจจานังนามะโคตังนชีรติร่างกายเท่านั้นที่เปื่อยสลายไปแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณความดีของพระองค์หาได้เสื่อมสลายไปไม่เราก็ให้ท่านประทับอยู่ในความทรงจำอันงดงามไม่ว่าท่านจะ ไปไหนอย่างไรเนี่ยแต่สำหรับเรายังอยู่อยู่เป็นความงดงามเป็นความทรงจำที่ดีงามที่เราได้เกิดมาภายใต้พระล่มพระบรมโพธิสมภารและวันนี้ก็ได้แสดงความจงรักภักดีด้วยการมาทำบุญถวายพระราชกุศอุทิศถวายท่านและประทับความดีนั้นของพระองค์ท่านอยู่ในใจของเรา ท่านไม่ได้ดับไปที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชินรสนิพน์ไว้ว่าพฤษศภากาศ อ, อี ก, กุญชอนอันปลดปลงโททนสนิ่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาตติวางวายมะลายสิ้นทั้งอินทรียสถิดทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา ความดีของพระองค์ประดับอยู่ในโลการผ่านความทรงจำของประสงฆ์นี้ก่อนไม่ได้ดับไปไหนรัะชะกาลที่หกมีพระราชนิพนธ์ลคล้ายๆกันว่าในาพระราชนิพนธ์นั้นว่าอย่างนี้ประวัติวีรบุรุษไซ้เตือนใจเรานา ว่าอาจจักยังชนเลิศได้แลยามจะบันไลทิ้งซึ่งรอยบาทเหยียบแน่นไว้แทบพื้นทรายสมัยจากไปแต่ประทับรอยบาทแน่นอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย จิตตกก็ยกมาจิตตกก็ยกจิต้วยวิธีคิดอย่างที่ว่าจิตลอยลมให้ดึงลงมาลอยลมคือกังวลกับอนาคตจิตตกคือกักติดกับกับอดีตลอยลมคือฟุ้งซ่านกังวลไม่มีท่านแล้วเรา คือประเทศเราจะอยู่ยังไงยังไม่เกิดเรื่องเลยนะห่วงไปทั่วมาแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่ายุคทองค ง, คงหมดแล้วอย่างที่ฝรั่งว่าใครรู้เรากังวลไปเองหรือเปล่าเราเป็นลูกของพ่อหลวงทำไมไม่รักษามารดกที่ท่านเหนื่อยยากสร้างเอาไว้เจ็ดสิบปีเนี่ยและประคับประคองกันต่อไปในอนาคต เราดูถูกคนไทยด้วยกันหรือเปล่าคนไทยวันนี้กับคนไทยเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วเนี่ยมันต่างกันนะเราเป็นลูกที่เลี้ยงไม่โตรหรืออย่างไรในหลวงกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูพร่ำสอนปากเปียกปากแฉทิฏปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่พระบรมราโชวาดีเพียบ พัฒนาคนไทยไม่ได้หรืออย่างไรถ้าเราทำตามที่ในหลวงสอนเน่ประเทศไทยมันจะไปอีกไกลเลยเพราะว่าท่านทิ้งมรดกคำสอนไว้ไปอ่านมหาชนกแล้วจะรู้พระราชนิพนธ์เนี่ยเราไม่มีความเชื่อมัน่นและไม่มีความหวังในหลวงทรงแปล มหาชนกจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอเล่าเรื่องมหาชนกเรือล่มว่ายน้ำในมหาสมุทรเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีความหวังเลยว่าจะรอดจนนางมณีเมขลาเหาะผ่านมาถามว่าทำอะไรอะ่ะว่ายน้ำว่ายทำไมเรือล่ม จะไปไหนชมพูทวีปไหวมานาหรือยังเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วนางมณีเมฆคาาเทพธิดาประจามสมุดบอกมหาชนกว่าอีกเจ็ดวันท่านก็ไม่ถึงฝั่งเหนื่อยเปล่าสู้จมน้ำตายไม่ดีกว่าหรื อ, อเทวดานแนะแปลกๆเลยไหวไปก็ตายไหวทำไมในเมื่อไม่มีความหวัง มหาชานกตอบว่านี่ในพระราชนิพนธ์นะมหาชานกตอบว่าใครก็ตามคิดว่าว่ายก็ตายไม่ว่ายน้ําก็ตายเลยไม่ว่ายน้าพวกที่คิดอย่างนี้คือสหายของข้าพเจ้าพวกนั้นตายหมดแล้วแต่ข้าพเจ้าคิดว่าว่ายก็ตาย ไม่ไว่ายน้ำก็ตายแต่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจจะไม่หยุดว่ายน้ำตราบนั้นจะไม่หยุดทำความเพียรของมนุษย์จะว่ายไปจนไม่เหลือลมหายไปจนลมหายใจสุดท้ายเพราะข้าพเจ้าคิดอย่างนี้สิจึงเหลือรอดข้าพเจ้ามาคนเดียว วายเมเทวะปุริโสเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปมีผู้แต่งเป็นบทประพันธ์ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายังหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมารหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลาย ปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจคำสอนอันยอดเยี่ยมนี้อยู่ในพระราชนิพนธ์ให้คนไทยมีคว า, ความเพียรที่บริสุทธิ์ไม่หยุดไม่จมปลักทรงสอนมากี่ปีลว จิตตกก็ให้นึกถึงเรื่องเหล่านี้ยกขึ้นมาเดินหน้ากันต่อไปภาคภูมิใจที่เรามีพ่อหลวงผู้ห่วงใยแล้วก็ฝากมรดกทามรดกของชาติไว้มากมายพร้อมที่จะให้คนไทยเนี่ยเดินหน้าต่อไปอาตมานึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ย ใช้อิทธิบาทสี่ก็อยู่ได้เป็นกลับเป็นร้อยปีคำว่ากับคืออายุกับหนึ่งร้อยปีหรือร้อยี่สิบปีแต่นิพพานอายุแปดสิบมีคนถามทำไมปรินิพานพระพุทธเจ้าตอบเองไม่มีอะไรต้องห่วงแล้ว ในมหาปริ涅槃 น, น, นาสูตรนะวันนี้ไม่ได้พูดเองนะในมหาปริ涅槃 น, น, นาสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่าตอนนี้ลูกๆของเราข้ากล้าแข็งมากพุทธบริษัท4สี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ศึกษาธรรมะจนแตกฉานปฏิบัติเป็นพระอรหันต เผยแผ่ได้ดีเยี่ยมสามารถตอบโต้กับรทัทิอื่นได้อย่างดีไม่มีอะไรจะต้องห่วงแล้วและเมื่อสังขารคคาคขราก็ขอพักรับคามาราธนาของมานประกาศในวันเพ็ญเดือนสามว่านับจากนี้ไปอีกสามเดือนวันเพ็ญเดือนหกจะเข้าสู่ดับขันปรินิพาน ในมหาปรินิพพานสูตรได้สอนไว้ในหลวงได้นำประเทศมาเจ็ดสิบปีมาอยู่ณจุดนี้เนี่ยถ้าตอบในมุมมองของพระองค์เนี่ยลูกเติบโตแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงก็ถึงเวลาที่พักที่ไปสถิตณนะดุสิต มหาประสาทเน่เป็นนัยยะว่าพักฉะนั้นเราผู้มีความกะตัญญูรู้คุณกะตะวิธีตอบแทนคุณเนี่ยก็บูชาคุณของพระองค์ท่านด้วยการมาทำบุญที่นี่ถามว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไปเสริมบา ร, รมีท่านมากน้อยเพียงใดก็เหมือนพ่อแม่เนี่ย รวยกว่าเราอีกตอนที่เราทางานรับเงินเดือนครั้งแรกแต่เรายังเอาเงินไปบูชาคุณท่านเราให้เพื่อบูชาคุณเราทำดีคนละเล็กคนละน้อยมาร่วมกันที่วัดประยูรหรือที่ใดก็ตามเป็นการบูชาคุณของพระองค์ท่านอย่างที่ทุกท่านได้มาแสดงออกณนะที่นี้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส ที่มุ่งแสดงออกให้ปรากฏซึ่งความกระตันยูกระตะเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าและวันนี้เราก็มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลพร้อมกันจึงชื่อว่าได้แสดงออกซึ่งคุณธรรมของคนดีในานามของคณะสงฆ์ จึงขออนุโมทนาและขอนำท่านทั้งหลายอุทิศถวายพระราชกุศลด้วยการตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศีรัตน์ไตรและเดชานุภาพของพระประธานในพระอุโบสถและบุญกุศลที่เราได้น้อมนำบำเพ็ญทั้งปวงจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัย อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเพิ่มบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในสำปรายภพแด่สมเด็จพระปรมินธรรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเพื่อให้ทรงอนุโมทนาบุญและแผ่บารมีปกแผ่พระศกนิกกรชาวไทยทั้งปวงดังเช่นที่เคยมีพระมหา กรุณาที่คุณในพบนี้ตลอดติเจรัติติการเทิน